เดาหนนที่ทายแบบขาดการบางว่าตามข้อมูลปิดปิดถุกถูกบ้างแต่ตามาจะดูตามหลักของพระพุทธเจ้าคบกับคนก็ดูว่าคนไหนตั้งใจอะไรถ้ารู้ว่าดีแล้วเนี่ยเขาจะมั่นคงไหมลักษณะใจอย่างนี้จะไปตลอดหรือว่าพอหมดคนให้พูดพูดให้กำลังใจแล้วก็ ล, ละแหลลงพอมีใครพูดให้กำลังใจเฮ้ดไปทำดีอีกถ้าแบบนี้ไม่มีใครจะมานั่งเคี่ยวเข็นเราหรอก พ่อแม่ที่ไหนจะตามคอยให้กำลังใจเอาซิลูกเอาสิลู ก, ลกไปทุกหนทุกแห่งมันไม่มีหรอกฉะนั้นอัตหิอัตโนนาโถสิง่งที่เป็นที่พึ่งดีที่สุดคือจิตของตัวเองคำว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนอัตโนตัวนี้หมายถึงจิตใจถ้าใจเลวเราจะได้พึ่งความวิบัติจากใจถ้าใจดีเราก็จะได้พึ่งความเจริญจากใจที่รู้จักคิดในกิจที่ทาในคาที่พูด พาเจริญก็เพราะการทําดีพูดดีคิดดีพาต่ำต้อยก็เพราะการทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วใจทั้งนั้นแหละเป็นตัวนําตัวดึงจิตเตนะนยติโลโกสัตว์ทุกประเภทไม่ใช่เฉพาะแต่มนุษย์ดอกจิตคือตัวนําลิงมันทําอย่างนั้นเพราะลิงมันคิดอย่างนั้นลิงมันเห็นกล้วยสําคัญก็แหวนเพราะลิงมันไม่รู้ค่าของแหวนแต่คนนั้นว่าอุ้ยแหวนมันมีค่ามากกว่ากล้วยก็จิตของคนมันฉลาดกว่าลิง คนนั้นทําชั่วพูดชั่วเสียนิสัยเพราะคนนั้นไม่รู้จักคิดคนนั้นชอบคบคนดีชอบเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมเพราะเขามีนิสัยดีรู้จักคิดจิตเป็นตัวนําฉะนั้นจะปล่อยให้จิตโง่นําชีวิตนั้นถือว่าเป็นคนอาพับไม่อยากให้จิตโง่อ่านธรรมะแล้วพิจารณาไม่อยากให้จิตโง่ต้องเอาหูฟังเทศบ้างอย่าฟังแค่เสียงเป็ดเสียงไก่เสียงลูกหลานด่ากันทะเลาะกันไปรายวัน แบบนั้นมันเป็นเอาเหมือนกับเอาลูกเอาเป็ดเอาไก่มาเป็นมารทำให้ตัวเองต้องหมุดหงิดเพราะมารมากวนที่จริงเขาก็เป็นเป็ดเป็นไก่แหละแต่ใจเราไม่มีปัญญาก็เลยเอาเป็ดไก่มาเป็นมารบางคนก็เอาลูกมาเป็นมารขวางตัวเองไม่ให้ถึงความดีอย่าไปวัดก็โอ้ยห่วงลูกให้ลูกไงก่อนจีงสิไปวัดวัดลูกไงแล้วมีหลานก็ว่าโอ้ยไปบทัานใดเด้ห่วงหลานกันหลานไงก่อนจีงสิเขาวัด ในที่สุดก็ได้เขาตอนเขาหามาได้เขาอิลีโอ้ยหลายคนเป็นตัวอย่างยังมันสงสารเด้เนะาะยักษ์มันไผ่หามเขาเขาวัดเขาไม่มีวาสนาจิตมันจึงพาคิดแบบแฉลบอยู่เรื่อยอัตมามาด้วยหัวใจเต็มร้อยว่าอยากจะช่วยเสริมงาน ถ้ามาไปแบบนักเทศที่เป็นแขกไม่รู้ไม่คุ้นเคยที่นั่นอาตมาก็าไปเทศแบบแขกไปเจ้ากี่เจ้าการจัดงานต้องอย่างนั้นอย่างนี้กับเขาไม่ได้แต่บังเอิญงานคราวนี้ขอเล่าให้พี่น้องฟังหน่อยเพราะพี่น้องอาจจะเรียนแบบเอาไปเป็นตัวอย่างได้ไม่สงวนลิขสิทธิ์เมื่อไม่นานคือประมาณสักสองเดือนเห็นจะได้ อาตมาไปที่วัดภูมดง้ามที่พระมหาเติมท่านอยู่ใกล้ๆช่องแมฆนุ ule, ่นแหละอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลขณะที่พระมหาเติมท่านไปธุระที่ไหนไม่ทราบหรอกโยมแม่ของพระมหาเติมก็เข้าไปในศาลาเรียกอาตมาว่าอัญญาอาตมามาเป็นอัญญาอยู่บานเต้ไห้นี่ละไปมองอื่นเขาก็เอืนเน่นแนวหนึ่ง ไปอยู่บ้านบากนา้ำอุบลเขาเอินอ่นญาทานหน่อยไปอยู่กรุงเทพเขาเอิ่นหลวงพ่อน้อยไปอยู่บ้านกลางไงเขาก็เอิ่นหลวงตาน่อยมาบ้านเตาไห้เขาเอิ่นอัญญาโอ้จังแม่นหลายจนง ง, งงได้อตาตมานี่ยแม่มหาเติมมาอัญญาวะ่านัระหนอยขอปรึกษาแน่อัตามาถามมันอย่างขนะอยเห็นผู้อื่นก็ทําบุญสวดมนต์เฮือนมนต์พระไปสวดตอนแรกตอนเศร้ามากกับพระไว้สัน โอ้ยจังแมนอยากเฮ็ดคือเขามีแต่หัวใจอยากเฮ็ดก บ, บการลบ ก, กวนลูกขนน่อยกันเลยสะสมเงินใส่เวลาหลายปีวาสันได้เงินสองหมืนหรือว่าเกือบสองหมื่นนี่ละซ่ำนี้สิเฮ็ดบุญได้บ่ออัญญาวาสันอัตมาวาเหลือหลายโพดพุนคันเฮ็ดบาปบพอ่อพ่อจางมอล้ำกั บ, บอ่อพ่อจางหนังกับบพ่พ่อซื้อเหลาเลียงค้นกับบพ่พ่อ ขันบุญแบบนั่นจัดบ่ได้แต่ขันบุญที่ว่ามาเฮ็ดดีม า, ม, มาไหวพระมารับศีลคนมาอะไมาได้กินเขากินปลาน่ำหนี่ใจคัวบ่เมิดบ่ปันใดดอกม่อนพระมาจะเจริญพุทธม่อนคาพระจังได้กับบ่แพงทอคาหมอลำหมอลำเสียงอีสานเดี๋ยวนี้มันทอดได้ฮะพูดยังจำปาถึงแสนบ่แสนเจ็ดเมื่อนี่ถวายพระคือที บ, บ่ถึงครึ่งหนึ่งของหมอลำเนาะอัตมาเลยบอกแม่มหาเติมว่า มื่นหนึ่งก็เหลือเพื่ออัตมาว่าก็ะยานเพลนว่าพระเว้าปอบใจอัตมาก็เลยให้เหตุผลคันเสียดบุญในีมันเป็นตอนบุญอีหลีถือลักพุทธเจ้าอีหลีว่าหาพันก็เหตุใดอัตมาว่ากันจะเอาแครวานิมมอนพระเกาลูกไปสวดสันยู่บ้านขณอยว่าท่านได้กล้าปรึกษาลูกไส้ดอกคันอัญญาเห็นดีนั่มขณอยกติเว้ากับลูกไส้พระท่านพอจังสันแล้วเป็นอันวาแมอนันอยากทําบุญ ตอนนั่นบานนี้แจักแมนแม่ไปหาลูกก่อนหรือแม่อาตามาเว่าก่อนบ้านี่มหาเติมกับาอาตามากับว่าโอ้ยยนี่ยแม่มาปรึกษาจังสี่จังสี่มหาเติมเป็นกับเฮียนจนได้นักธรรมเอกจนเป็นมหาหัวใจเป็นกั บ, บโบเมนคีไลฟังนิดเดียวเป็นกับบอกว่าโอ้ยก็ดีแล้วคันแม่อย่าเข็ดนันกก่นลูกก็ลูกสงสารแม่ถือทางลูกที่หิวบุญไฟบุญอ่อนซ่อนบุญอยู่แล้วก็ตกลงบาสิเฮ็ดคันเฮ็ดแล้ว อาตมากับบ่มีเวลาดอกสีมาเป็นตีปรึกษาเธอหลังสีมาอาตมาก็เลยถือโอกาสตอนนั้นเลย่ยวาว่าขอเสนอความคิดเห็นเดอ้อจากน้อยกสิลากลับแล้วเฮ้าบวช ด, ดนเฮ้าเป็นมหัมมหาแม่อยากทำบุญเฮาต้องเป็นผู้นัเพราะว่าเฮ้าเฮี้ยนหลายกว่าแม่การเฮ็ดบุญต้องเสียเวลาการเฮ็ดบุญต้องเมยในการเตรียมงานการเฮ็ดบุญนี่ต้องเปืองเงินทองสร้างมันเถาะ แต่เฮ็ดยังไงมันจึงติเกิดประโยชน์หลายๆคล้ายๆว่าบุญของเขานี่ก็เท่าเฮ็ดโดยสติด้วยปัญญาบ้านเมืองก็ได้ประโยชน์จากเข้าแทนที่เอาพระไปสวดพระสวดก็บ้องโหว่าเจ้าของสวดแปลว่าจังไงได้นั้นผู้ฟังกับนกมือฟังไปเอาพิธีก็บ้องโหวว่าพระสวดอี๋ยังสรุปแล้วก็คือผู้สวดก็บ้องโหวผู้ฟังก็บ้องโหเสร็จแล้วก็ดีใจว่าโอ้ได้สวดม่อนเฮื่อนได้สวดม่อนแล้วมาเอื่นก็นิมนต์พระไปสัน โอ้ยดีใจไดยให้อาหารพระคำว่าดีใจนี่มันพ่อหรือยังสำหรับคำว่าประโยชน์คันเสิเอาแต่ความดีใจเท่านั้นโอ้หน้าอายเลยผสมกับว่าอติโรจติปัญญายะดอกมันเกิดคนเกิดประโยชน์น้อยมันเหมือนกับเราทำดีแล้วมีคนมายกย่องเราโอ้ยจังแมนทำดีโอ้ยจังแมนนาหัก คนจังสี่แม้หนานับถือสมุติว่าไม่ผูมมาว่าวาจังสันเข้าใจพ้องใจโตอุ้ยก็ดีใจแล้วเขาย่องเข้าเสร็จแล้วความรู้สึกดีใจนั้นมันดีไหมดีลืมใจน่ะมันดีดีกว่าใจเหี่ยวแต่ระวังไว้ด้วยเมื่อมีคนยกย่องขณะที่ดีใจนั้นบางทีก็ลืมตัวไปเลย เขานี่คนดีมีแต่คนหูจักมีแต่คนนับนาถือตากันผู้ใดสอนแนในกับผู้ใดได้เข้าบรมนคนขี้ไล่พอถึงมาสอนเข้าเข้าคนดีมีแต่คนนับนาถือตา น, อ น, นั่นกิเลสไปบักไงแล้วฉะนั้นเอาแค่ความรู้สึกแบบโลกโลกนี่มันไม่เป็นสัจธรรมอาตมาก็เสนอแนวทางว่าท่านมหาคิดยังไงบ้างถ้าจะทําบุญขอให้คนที่มาในงานได้ประโยชน์เยอะๆ เ, เขาจะได้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง ทำงานวันนี้เสร็จงานวันพรุ่งนี้งานผ่านไปแต่มรดกที่เป็นสาระเป็นแก่นของชีวิตเป็นสิ่งที่เกื้อกูลแก่ชีวิตของผู้มาร่วมงานและจะมีผลพลอยได้ต่อบ้านต่อหมู่บ้านเราทำงานด้วยสติด้วยปัญญาคนทั้งหมู่บ้านพลอยได้รับประโยชน์ท่านมหาคิดว่าจะทำอะไรบ้าง ในครอบครัวเราไม่กี่ชีวิตถ้าท่านมหาพา ร, รมอย่างมีสติปัญญาประเทศชาติจะพลอยได้รับประโยชน์ท่านมหาคิดว่าประเทศชาติควรจะได้อะไรจากงานนี้อาตมาให้เกียรติถือว่าท่านเป็นมหาท่านก็บอกว่างานนี้ผมอยากจะพิมพ์หนังสือมองแม่แจกด้วยเพราะงานผ่านไปแต่ละครอบครัวก็จะมีหนังสือมองแม่เอาไว้ พอพูดไปสักหน่อยไม่อะไรอีกไหมที่จะเป็นประโยชน์อาตมาถามพระมหาเติมก็บอกว่าผมตั้งใจว่าครับหลวงตาเทศจบคือท่านธระมหาเติมจะเรียกอาตมาหลวงตาเรียกตามชาวบ้านกลางใหญ่ที่อาตมาไปอยู่นั่นแหละถ้าหลวงตาเทศจบปั๊บผมจะเอาม้วนเทปไปดรับหรือไปก๊อปปี้นั่นแหละพรุ่งนี้แจกทันที เพราะหนังสือมันเป็นตัวหนังสือนั่นเรียกว่าแจกตัวหนังสือแต่มว้วนเทปเป็นเสียงคนแก่อ่านหนังสือไม่ได้ก็เอามว้วนเทปไปเปิดในบ้านเทปเครื่องเดียวเปิดขึ้นดังแล้วทุกหูฟังพร้อมกันได้แต่หนังสือนั้นอ่านทีละคนอาตมาก็บอกว่าดีใจด้วยก็เหมือนกับเรามายุให้คนอื่นต้องเปลืองเงินเยอะเพราะพิมพ์หนังสือมันก็ต้องหมดเยอะมอนเทปก็หมดเยอะ แต่อตาตมาก็ไม่ได้บังคับว่าให้ทําแต่ท่านมหาท่านพูดเองว่าผมขออนุญาตลงตาพิมพ์หนังสือมองแม่อตาตมาบอกว่าอตาตมาไม่เคยสงวนลิขสิทธิ์พิมพ์มานี่เกือบจะยี่สิบรายแล้วมั้งบางคนก็โทรศัพท์ขออนุญาตเนื้อหาสาระภายในเล่มจะพิมพ์ครั้งไหนเนื้อหาสาระเหมือนกันจะเปลี่ยนแต่ปกแล้วแต่ใครจะทํางานอะไรเขาก็เปลี่ยนปกเปลี่ยนคําปรารถเท่านั้นแหละ อตาตมาดีใจว่าท่านมหาท่านก็ไม่อยากพายมแม่ทำบุญแบบมักง่ายแต่ท่านคํหนึ่งถึงบ้านเกิดเมืองนอนของท่านคํหนึ่งถึงสังคมพอท่านมหาท่านคิดดีแล้วพูดออกมาอตาตมาเป็นคนใจอ่อนถ้าเห็นใครไปในทางดีแล้วอาตมาสะอ่อนแล้วเกินอ่อนซ้อนบันเถอะอตาตมาก็เลยพลงปากออกถ้าท่านมหาจะพิมพ์หนังสือแจกผมก็ไม่ให้ท่านมหาหนักใจนะท่านมาเอาเงินไป เกี่ยวกับด้านการครัวด้านถวายพระเถหนังสือ 2,000 เล่มเนี่ยผมจะรับเป็นภาระไปช่วยหาเจ้าภาพให้มาเล่าให้หลวงพ่อบรรลังฟังท่านก็บอกว่าผมช่วยหนึ่งมื่นอัตมาก็อายในฐานะเป็นคนบอกที่หลวงพ่อบรรลังอยากช่วยเพราะเห็นว่าเออลูกชายก็ตั้งใจดีนะอยากจะทําบุญให้แม่ชื่นใจอยากจะทําให้ชาวบ้านเตาไห่ได้รับสิ่งที่เป็นสาระเป็นอนุสรณ์ที่เป็นสาระ ฉะนั้นหลวงพ่อบรรลังท่านก็รับทันทีพูดเสร็จไม่ดูเหมือนจะวันสองวันท่านก็ให้ทันทีหนึ่งมื่นอาตมานั้นกำลังน้อยให้ไปเท่าไรไม่ต้องพูดแต่ให้น้อยกว่าหลวงพ่อบรรลังพูดให้อาจารย์สมอนชัยงามฟังอาจารย์สมอนก็บอกว่าโอ้ชื่นชมที่ท่านมาหาเติมท่านคิดอย่างนี้อาจารย์สมอนก็ฝากว่าขอให้มาบอกท่านอาจารย์มาหาเติมด้วยท่านจะช่วยหนึ่งพัน ค่าหนังสือก็พอแล้วแหละแต่ม้วนเทปนั้นท่านมหาท่านใช้ทุนของท่านเองคืนนี้แจกยังไม่ได้พรุ่งนี้แจกเพราะคืนนี้จะได้นอนหรือเปล่าไปก๊อปปี้หลายมว้วนไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยมว้วนแต่ท่านเตรียมการดีนะท่านเขียนปกไว้เรียบร้อยพิมพ์ปกไว้เรียบร้อยแต่ยังไม่ทราบเรื่องว่าเรื่องอะไรอาตมาก็ยังไม่ทราบว่าตัวเองเทศเรื่องอะไรนะนั่งเสร็จแล้วอะไรมันผูดมาพูดไปเรื่อยแหละ การเทศของอาตมาไม่ค่อยพิถีพิถันหรอกอาตมาคิดแต่เพียงว่าเราไม่ได้มุ่งที่จะเป็นนักเทศแบบนักปราดราชบัณฑิตเราตั้งใจเพียงแต่ว่าถ้าสามารถพูดให้กำลังใจคนได้เรามีศักยภาพไหมถ้าจะพูดให้คนฉลาดขึ้นความคิดละเอียดขึ้นเราพอจะให้เหตุผลที่ละเอียดได้ไหม ส่วนจะดีหรือไม่ดีนั้นไม่ต้องไปคิดมากไม่งั้นผู้เทศก็เป็นทุกข์อาตมาคิดแบบตลกตลกในใจว่าเทศดีบ่ดีบด่บบสำคัญอยากขืนมานาามมาั่งทำมาศดาพอดาเมเขากับพ่อก็พ่อแม่นบ่ดีเขากับ่ตำหนิดอกแต่อย่าหายเขากับพ่อฉะนั้นขืนทำ ม, มาศกับบ่เคยหายไผ่ดอกหย่านโยมซังกับเคาเบาไปตามภาษาเจ้าของนั่นแหละอืม เสียงนี้เข้าหูโยมแต่บางครั้งฟังแล้วใจโอ้แมนโอ้แมนใจมันจะฉลาดขึ้นแนวคิดมันจะดีขึ้นแต่ความคิดมันอยู่ภายในถ้ามันฉลาดขึ้นก็ไม่มีคนรู้ถ้าความคิดมันละเอียดเยือกเย็นสุ ข, ขุมหนักแน่นขึ้นก็ไม่มีคนรู้ฉะนั้นที่บอกว่าฟังเทศแล้วได้อะไรนั้นถ้าตอบแบบโง่โงก็คือไม่ได้อะไร มันไม่ใช่ต้มหูที่จะโชว์ให้ดูได้มันไม่ใช่สร้อยไม่ใช่แหวนแต่ถ้าตอบแบบละเอียดได้อาพรเครื่องประดับความคิดร่างกายเรายังต้องการประดับแล้วความคิดจะไม่มีอะไรเป็นตัวกากับความคิดเลยหรือคิดสเปสปะความคิดมันส ก, กรปรกนะคิดสเปสปะนิสัยมันจะเลวนะ ฉะนั้นต้องคิดให้ไหลไปตามกระแสธรรมะกระแสสังคมของผู้กิเลเหนาปัญญาทึบนี่เขาจะพาทําอะไรไม่ต้องเฮ่อเขาอยากจะเอาเงินจากกระเป๋าคนก็จะเอาสีเอาแสงมาหลอกมาลวงไม่ต้องเป็นมแมลงเมาอยู่กับลูกกับเมียสร้างเนื้อสร้างตัวมีเงินทองประหยัดไว้ใช้ใจ่ายในยามจําเป็นอย่าไปทําใจใหญ่กับการไปดูสีดูแสงไปกินกาแฟถ้วยเดียว ห้าสิบหกสิบบาทมันเท่นะแต่ว่าซื้อมาขวดหนึ่งกินกับลูกกับเมียได้เป็นเดือนทำไมจะต้องไปเปลืองอย่างนั้นเข้าในคลับในบาร์เข้าคาราโอเกะมันแพงน่าดูแต่เราก็เหมือนกับคนเงินเหลือเฟือเพราะมันลืมคิดหลงสีหลงแสงหลงแก้วบางบางนางสวยๆก็เลยจะตายไม่เป็นอะไรอย่างนี้แหละจิตมันมันเคลิมไปกับบรรยากาศของโลกสำลักกระแสทางอารมณ์ สวยก็เคลิ่ไปกับความสวยฟังเสียงนักร้องเพราะเพราะก็เคลิ่ไปกับเสียงเหมือนเหมือนกับมีตาเอาไว้ทำตัวเองให้ลืมเป็นลืมตายมีหูก็ไปฟังสิ่งที่ทำให้ตัวเองเคลิ่ลืมเป็นลืมตายมีปากก็กินเหล้าเมายาให้สติมันหมดให้เมาจนไม่รู้ดีรู้ชั่วทำไมจะต้องเอาเอาวัยวะของตัวเองมาเป็นเครื่องมือสังหารภูมิจิตภูมิธรรมให้เสียคุณภาพการจัดงานในคราวนี้ ที่จริงอาตมาว่ามันไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซนต์หรอกแต่อาตมาก็ชื่นใจว่าสังคมน่าจะกล้าปฏิรูปกันบ้างทำพอแล้ ว, ลวนี่มันเหนื่อยกันมามากแล้วแหละตัวเองได้อะไรบ้านเมืองได้อะไรจะทํทำบุญทั้งทีควรเล็งจุดไหนบางคนว่าจะทำบุญก็อยากให้คนสนุกก็ต้องไปท่าทาหมอลาคณะนั้นมันดังเขาจะว่างไหมมาปรึกษาจเจ้าอาวาสว่าจะเคสบุญเมื่อไรลราพอออก เดี๋ยวบัดทันโหว่าอยากได้คณะมอลลัมคณะนั่นเจ้ามือนั่นจ้าเขาสีว่างบ่อขวมหลวงพ่อปั๊บโหลดบได้ว่าหลวงพ่อสีว่างมือนั้นบ่อได้เด็ดเนี่ต้องให้มอลลัมกำหนดมือทำบุญให้ออันนี้เขาก็บอบอมันบ่อตลกดี๋มันไม่เ อ, อ็นดีรีเด้ตัวอย่างก็คยเห็นบางแห่งต้องตั้งโต๊ะก้มสั้งมาจากผัดตะขารแทงต้องตั้งเหล่าตั้งเบีย การมาได้กินเหลากินเบียได้สนุกสนานได้ชุนแก้วดีบ่ดีกับมีการให้ ค, นค้นขึ้นไปห้องเพลงกินไปนําฟังเพลงไปน้าขึ้นไปเปิดฟอโชวเชิญคนนั่นคนนี้มาเต้นเต้นคือเป็ดคือไก่เป็นได้บเป็นแหนกไก่ขึ้นไปเต้นยักมันอีหยังได้บานเมืองนี่มันคึ้ดบึงว่าขันบขึ้ดกับโสลดดอกแต่อตาตมาคึ้ดบึงแล้วขันเฮาเป็นผพุยไงเหตพ่อปันนันลูกหลานสีอาศัยไผ ขันย่ำลูกหลานไปเที่ยวว่าจะไปตัลูกหล่ะดึกเดินมันเสียสุขภาพอย่าไปหากินเหล่าเด้อมันบดีตัวเองบัดกินเหล่าบุรีเนี่ยมันมีโทษเด้อลูกหล่ย่าไปฝึกสู่บุรีก็เห็นผูนยั่สู่ภัยเขาบึงอยู่นี่มันก็เลยกลายเป็นสังคมอาพับตัวอย่างฉะนั้นพี่น้องวันนี้เราถอดใจพูดกันเลยอาตมาไม่มีโอกาสจะหลอกแหล่แล้วล่ะอายุมันครึ่งคนค่อนคนไปแล้ว ก็อยากจะพูดจริงทำจริงจะเหนื่อยกับเรื่องที่เป็นเรื่องเรื่องที่เป็นสาระเป็นประโยชน์งานคราวนี้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ดีร้อยร้อยเปอร์เซนแต่เราก็กล้าแหวกแนวแต่เราก็แหวกแนวแบบองอาจเพราะเราเชื่อในเรื่องประโยชน์งานคราวนี้พี่น้องมาได้ดื่มน้ำยาดื่มน้าร้อนมีเยอะแยะพี่น้องมาได้ทานข้าวปลาอาหารนอกจากแก้หิวบรรเทาทุก อาหารย่อยแล้วไปเป็นเลือดเป็นเนื้อไปเป็นพะละกกำลังไปเป็นผิวพันคนอื่นนี่แหละทำบุญมันต้องเป็นประโยชน์ไม่มีสิ่งมอมเมาให้เสียสติไม่มีสิ่งมอมเมาที่จะมาทำลายศีลข้อห้าวันทำบุญไม่ใช่วันพิฆาตศีลพระพุทธเจ้าว่าศีลเป็นสิ่งสำคัญควรประพฤติแล้วสุราเมรยมัชชะปะมาควรประพฤติใช่ไหม ใช่แล้วเราทำไหมละ่ะบางทีก่อนพระมาเราเมากันเอะตังเยอะแยะแล้วแต่บางคนเขาให้เกียรติพระหน่อยบอกว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งเสิร์ฟเหล้าเลยให้พระมาสวดมนต์พระกลับไปวัดแล้วเราก็กินเหล้าอย่างนี้ถือว่ามาบุญนะมารักษาศีลหรือมาทำลายศีลประกาศขึ้นมาว่าทำบุญหลอกลวงตัวเองหลอกลวงหลักการทางพุทธศาสนา แล้วก็หลอกลวงพระสงฆ์องค์เจ้ามาทําเป็นรับศีลแบบผู้ดีปนมมือว่าตามพระแข่พระไปหางไม่กี่วาเมากันแล้วแบบนี้ใครหลอกใครบ้านเมืองมันจึงเต็มไปด้วยการโกหกหลอกลวงทําลายศีลทําลายทำแต่ก็บอกว่าทําบุญฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันเป็นบาปมันจึงเกิดความวิปริตผิดแปลกขึ้นมาในสังคมเยอะแ ย, ยะมากมายเดือดร้อนรำํารำสายมีแต่ปัญหาเสร็จเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องหนึ่ง ใครทำกรรมใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นยังกรรมมังกริษสามิกรยานางวาปาปกังวาตัสทายาโทปวิษสามิท่านบ้านเมืองก็ทำลายศีลกันเยอะเหลือเกินมีใครที่ละอายตัวเองว่าวันนี้รับศีลแล้วฉันจะพยายามไม่กินเหล้าเมายาไปงานใดก็สเปสะปะโอ้ยพุทพุท พ, พ, พุมันต้องว่าบพุโทโธแล้วแน่อนอนโมมนพุทโธเด้ กินเหล่าเม้ายาทําลายศีลต้องบอกพุทธโธมันทุเรศนะนะทุพุทโธ พ, พ่อแม่พี่น้องอันนี้ภาษาพระมองแบบพระแต่พูดนี้ไม่ม่งตําหนินะแต่ม่งพูดชี้แจงข้อดีข้อเสียว่ามันเป็นบุญจริงไหมสิ่งที่เป็นบุญนั้นทานศีลภาวนาในงานนั้นต้องการให้เกิดทานใค่ไหมให้คนได้กินข้าวกินปลาเอาเงินทองของเราทานออกไปทําครัวให้คนได้กินเออนีเป็นทานเป็นบุญอยู่ แต่ถ้าบอกว่าเอ้าก็ซื้อเหล้าก็เสียเงินเสียทองก็เป็นทานนั่นแหละทานที่ทานแบบโง่ทานไม่มีตัวปัญญาชาวพุทธต้องเอาตัวปัญญาว่าอะไรควรให้ไม่ควรให้พระพุทธเจ้านั้นแต่ก่อนตอนเป็นพระโพธิสัตว์ปัญญาบา ร, รมียังไม่เต็มเปี่ยมแต่เมตตาเต็มร้อยตัวเองหมดเนื้อหมดตัวก็ไม่เป็นไรมีใครขอสงสารหมดขาดปัญญา ที่เล่ามาโอ้ยลูกพี่ขอเงินไปซื้อเหล้าหน่อยก็ให้เงินเขาไปซื้อเหล้าแล้วก็แทนที่จะได้ผลดีปรากฏว่าเกิดบาปชาติสุดท้ายมาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะบารมีเกือบเต็มแล้วแต่เพราะการทำผิดพลาดในชาติก่อนก็ยังตามมาราวีวันหนึ่งเป็นพระพุทธเจ้าแท้ๆมานั่งเทศอย่างนี้แหละมีเสียงเอะอะววายขึ้นหน้าธรรมาท รบกวนสมาธิในการเทศของพระพุทธเจ้ารบกวนคนฟังที่นั่งอยู่ข้างๆว่ารำคาญขี้เมาปรากฏว่าพี่น้องทราบไหมคนที่มาฟังเทศนะเป็นขี้เล่าคนหนึ่งเสร็จแล้วความติดเล่านี่มันเกิดดนใจมาว่าอาวันนี้กูจะไปฟังเทศสหน่อย แตกลวยประเจิดประเจ อ, เจอยังรู้สึกละอายอยู่นะเอาเหล้าซ่อนไว้ในในผ้านุ่งของตัวเองนั่งฟังเทศก็ดึงขวดเหลออกก็กกเข้าไปยังนอยยมไูไกลไกเอาบอเขาก็ก ก, กเอกพระบัรพระเทศดนเหลมันออกฤทธิ์เริ่มเมามันก็ออกเสียงปันนกกระจาบแล้วบันอ๋อนี่ยโอ้ยแมนเพ่นเทศดีโอ้ยแมนแล้วโอ้ยเพ่วาซืกยุงศรละเขาถามา พุทธเจ้าพันบอกเขียต์พูนันพันบอกว่านี่มันเป็นผลที่เราเคยทำชั่วเราขาดสติปัญญาฉะนั้นใครที่ตามใจลูกให้อะไรตะพืดระวังไว้ด้วยเพราะให้เงินเยอะบางทีลูกจะได้เข้าคุกทำบุญหรือทำเป็นสปอร์ตโอ้ยบุญยังได้ขีดที่ไซคอลเราแน่หายใจบา อ, อัน้นเห็ดปานเศรษฐี เสร็จแล้วก็เป็นผิดเกีเจ้าของทำลายศีลทำลายถ้ทำทำลายสติปัญญาของเขาแล้วก็ทำลายรูปแบบดีๆในการทำบุญเมื่อเห็นบุญแบบเละๆคนอื่นจะทำบุญก็ต้องทำตามตัวอย่างเละๆนั่นแหละฉะนั้นวันนี้มันเละมากแล้วโรคมะเร็งมันมันหนักแล้วอัตมาก็ขอพูดตร ง, ตรงๆแบบเป็นหมอผ่าตัดไม่งั้นเอาไม่อยู่แล้วแต่พูดขนาดนี้นี่หมอผ่าตัดก็คงจะเหนื่อยมากเหมือนกันแหละ คงเอาไม่อยู่หรอกเพราะสังคมมันสุดเยอะเหลือเกินทุกวันนี้ฉะนั้นวันนี้ขอชื่นชมขอสะออนขอนมโมธนากับพระมหาเติมซึ่งเป็นแกนนำพาคุณแม่ตลอดทั้งน้องๆและญาติพี่น้องทําบุญเสียเวลาจริงแต่ได้ประโยชน์แก่คนอย่างกว้างขวางสิ้นเปลืองที่แจกหนังสือไป แต่งานจะผ่านไปแล้วหนังสือจะอยู่กับเขาหลายวันถ้าเขาอ่านอย่างมีสมาธิอ่านคิดพิจารณาให้เข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งฝังจิตฝังใจจนกลายเป็นภูมิจิตภูมิธรรมเป็นมรดกธรรมที่อยู่กับใจมรดกธรรมอยู่กับใจเกิดขึ้นกับใจถือว่าหนังสือนี้ได้ช่วยคนไปถึงชาติหน้าด้วย เพราะจิตสํานึกที่ดีงามมันติดวิญญาณไปได้ไรนาสาโทของเราที่เราทําเดี๋ยวนี้แต่ก่อนเขาไม่บอกว่านาของเราหรอกจักหน้าของพญัยังบู้เปื่อตายไปแล้วเดี๋ยวนว่าหน้าของนายก่อนนายกอตายรุ่นหลังๆบ่ฮู้อาจจะเป็นหน้าของนายโขนายขีไปก็ได้มรดกนอกตัวมันผลัดเปลี่ยนอยู่บนโลกนี่แหละแม้แต่ร่างกายก็ไม่ได้ไปเกิดชาติหน้าหรอกมีแต่วิญญาณเท่านั้นแหละจะไป ฉะนั้นการทําบุญของเจ้าภาพในวันนี้ให้เข้าปลาอาหารเป็นเรื่องของร่างกายดีไหมดีมีประโยชน์ไหมมีแต่เป็นดีน้อยประโยชน์น้อยเพราะร่างกายไม่นานเดี๋ยวก็หมดประโยชน์แล้วแหละแต่ว่าหนังสือที่ให้นี่สัพพะทานังธรรมทานังชิเนติพระพุทธเจ้าตรัสนะนี่คนอย่างพระพุทธเจ้ามองอะไรละเอียดยิบเลยมองอะไรไกลสุดเลยแหละ พระพุทธเจ้าบอกให้อะไรก็มีประโยชน์อยดอกแต่ถ้าให้สิ่งดีๆงามๆก่จิตใจนี่มีประโยชน์ที่สุดกว่าการให้วัตถุอื่นๆแก่ร่างกายให้สิ่งดีไปทางปากให้สิ่งดีผ่านตาให้สิ่งดีผ่านทางหูเสียงเพราะลืมเป็นลืมตายให้เสื้อผ้าสวยงามให้เพชรให้แหวนให้ไรให้นาก็แค่นั้นแหละซับประจําโลกเดี๋ยวก็ทิ้งแล้ว แต่ถ้าเราให้จิตสำนึกตีดีงามโดยเป็นตัวหนังสือก็าตามเป็นเสียงก็าตามแล้วผู้มาร่วมในงานได้จิตงดงามขึ้นดีขึ้นสว่างขึ้นนี่แหละการให้ธรรมะแก่จิตใจสัพพะทานังธรรมะทานังชิเนติน่าคิดนะไม่ใช่ตมีตามาพูดนะพระพุทธเจ้าพูดไว้ว่าการให้ธรรมะ ดีกว่าการให้อย่างอื่นฉะนั้นอาตมากำลังให้ธรรมะอาตมาจึงทาด้วยใจเต็มร้อยสิ่งดีๆอตมาจะมาทำโดยความคึกขนองไม่ได้แล้วผู้ฟังละ่ะสิ่งดีๆอย่างนี้จะมารับแบบสเปะสปะไม่ได้หรอกนั่งไปคุยกันไปอ๊้ยได้บาปบาปเพราะหนึ่งลบหลู่ไม่เห็นความสาคัญของการของธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้า คล่ายว่าฟังทําไมไม่สําคัญเลยเรากินข้าวเราไม่ได้กินธรรมะเรานุ่งเสือ้อผ้าไม่ได้นุ่งธรรมะมันเป็นการลบหลู่เดี๋ยวบางคนก็บอกว่าผู้เทศยัดเยียดความผิดที่ฉันคุยไม่ได้ลบหลู่หรอกไม่ได้ตั้งใจลบหลู่แต่เพราะโมหะครอบงํามันเป็นการลบหลู่โดยสภาวะเหมือนพ่อแม่มีลูกลูกไปทําชั่ว ติดคุกพ่อแม่อายคนว่าอุ้ยนะ่นลูกเขาเลวลูกขี่คุกลูกอันตรภานลูกนักเลงแม่แม่อายแล้วเกินหนาในเดินไปไหนนนหน้าไม่สง่าราศีไม่มีสง่าราศีไม่องอาจการกระทําชั่วของลูกจนไปอยู่ในคุกลูกไม่อิสระในเรื่องการกินการนอนลูกถูกคู่ถูกบังคับให้ทางาน ไม่ใช่แต่ลูกดอกที่เดือดร้อนเพราะการกระทำเลวของตัวเองแต่อย่าลืมว่าแม่น่ะก็ทุกตกนรกทั้งเป็นการทำชั่วนั้นแม่เสียหน้าไหมแม่อายคนไหมแม่กินไม่ได้นอนไม่หลับแม่กลุ้มเพราะห่วงลูกมากถามมาลูกทำอย่างนั้นลูกตั้งใจดูถูกเหยียดหยามแม่ใช่ไหมไม่หรอกเขาทำไปด้วยความไม่รู้ฉนั้นเวลาในทางศาสนาถ้าเป็นการเทศน์ พระพุทธเจ้าถือว่าคําเทศเป็นธรรมะธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คนมีค่ามีสิ่งอื่นทำคนให้มีค่าไม่ได้สวยแค่ไหนแต่ทำอะไรก็เลวพูดอะไรก็เลวไม่มีใครอยากคบดอกถึงสวยเขาก็เมินเป็นความสวยที่ไร้ค่าเป็นความสวยที่คนไม่ต้องการเป็นความสวยที่น่าเกลียดฉะนั้นจึงมี คำที่ว่าประดับตนด้วยความดีมีราศีกว่าประดับเพชรฉะนั้นก็อย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจถ้าไม่มีเพชรม่ีแหวนไม่มีตุ้มหูมาสวมใส่ท่านเป็นคนตัวผอมตัวดำก็ตามแต่ทำอะไรมีศีลพูดอะไรมีศีลเขารักท่านเขานิยมชมชอบท่านเขาสะออนท่านท่านสามารถ ชนะใจเขาไปนั่งในหัวใจของเขาได้คุณคุณค่าชีวิตของท่านสูงเหลือเกินถ้าท่านมีดีเป็นเครื่องประดับการทำการพูดการคิดแต่แม้จะมีแหวนอยู่ทุกนิ้วมีสร้อยคออยู่เยอะมีตุ้มหูราคาแพงแต่เวลาผิดใจใครนิดหน่อยจดุจดจดจดุดจดจดปันเอาเกลือถิ่มใส่ไ ฟ, ไฟยังสิ แม่เสิแตงตัวคือเทวดาเขาก็อ้วกหลดเขาขี้ขานเบิงนาเขาบา่ายอยากเ่า่น้่มเขาขี้เดียดฉะนั้นอย่าทำความสวยของตัวเองให้ไร้ค่าที่คนเขาเมินปลอนเป็นภาษาไทยว่าอันสตรีไม่มีศีลก็สินส้นสวยคำว่าสิ้นสวยหมายความว่าสวยกับบ่มีคา